สิยะวิพังกระสูตรว่าด้วยการจำแนกอินทรีย์สูตรที่สามภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สุขินี 2. ทุกขินี 3. โสมณะสินียีโทมณะสินีย้อุเบกินี สุขขินีเป็นอย่างไรคือความสุขทางกายความส ar ar ําราญทางกายความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสําราญอันเกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าสุขินีทุกขินีเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สําราญทางกายความสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สําราญอันเกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกขินี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 อุเบกินรีเป็นอย่างไรคือความสวยอารมณ์ทางกายหรือทางใจที่สําราญก็มิใช่ไม่สําราญก็มิใช่นี้เรียกว่าอุเบกินรีในอินทรีย์ห้าประการนั้นสุ ข, ขินรีและโสมนสินรียพึงเห็นว่าเป็นสุขเวทนาทุกขินรีและโทมนัสินรียพึงเห็นว่าเป็นทุกขเวทนา อุเบกขิน4พีพึงเห็นว่าเป็นอทุคคมสุขเวทนาอินสีห้าประการนี้เป็น5ประการแล้วย่อเป็น3ประการเป็น3ประการแล้วขยายออกเป็น5าประการโดยปริยายด้วยประการระชน้ตติยะวิพังกสูตรที่8จบ ตัทโธปะมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยไม้เสียสีกันภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สุขขิ น, ขข น, สนสี 2. ทุกขินสีสามสมณะสินสีส 4. ่โทมณะสินสีหอุเบกขินสีภิกษุทั้งหลาย สุขขินสีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาภิกษุนั้นมีสุข ก, ก็รู้ชัดว่าเรามีสุขเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าสุขขินสีที่เกิดขึ้นเพระเาะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่สเสวย อ, อยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไปคือสงบไป ทุกขินสีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาภิกษุนั้นมีทุก็รู้ชัดว่าเรามีทุกเพราะผัสสะอ <inh ales> ันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าทุกขินสีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไปคือสงบไป สมณสินสี่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสมณสเวทนาภิกษุนั้นสบายใจก็รู้ชัดว่าเราสบายใจเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสมณสเวทนานั้นแหลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าสมณสินสี่ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสมละมที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสมณสเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไปคือสงบไป โทมานสินส <cryptocurrency> ีเก <ens> <enough> ิด <nous> ข <iyoruz> ึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมัสเวทนาภิกษุนั้นไม่สบายใจก็รู้ชัดว่าเราไม่สบายใจเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมัสเวทนานั้นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าโทมานสินสีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมัสเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไป คือสงบไปอุเบกินสีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาเวทนาภิกษุนั้นวางเฉยก็รู้ชัดว่าเราวางเฉยเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาเวทนานั้นแลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าอุเบกินสีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบขาเวทนาที่เสวยอยู่ อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไปคือสงบไปภิกษุทั้งหลายเพราะไม้สองอันเสียสีกันจึงเกิดความร้อนลุกเป็นไฟขึ้นเพราะแยกไม้สองอันนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียสีนั้นก็ดับไปรงงะงับไปแม้ฉันใดสุ ข, ขินีก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนา ภิกษุนั้นมีสุขก็รู้ชัดว่าเรามีสุขเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหลดับไปเธอก็รู้ชัดว่าสุขขินสีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาที่เสวย อ, อยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นดับไประงับไปทุกขินสีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา โสมนัสิน tarde, azzi, สีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาโทมนะสิสสนสีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนะสเวทนาอุเบกินสีเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาภิกษุนั้นวางเฉยก็รู้ชัดว่าเราวางเฉยเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนานั้นแลดับไป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 อุปติปาเติกกระสูตรว่าด้วยอินทรีย์ที่เกิดสับลำดับกันพิสษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขินสี 2. โทมนสิน4ีสสุขิน 4. สีโซมนสิน4ี 5. อุเบกินสี เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจอยู่ทุกขินสีย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าทุกขินสีนี้เกิดขึ้นแก่เราและทุกขินสีนั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกขินสีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้น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 ที่เกิดจากวิเวกอยู่ทุกขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในปฐมฌานนี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแ่งทุกขินสีแล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเมื่อพิกษุในธรรมวิในนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่โทมนสินสีย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าโทมนสินสีนี้เกิดขึ้นแก่เรา และธมรสินสีนั้นมีเครื่องหมาย <t ients> มีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่ธมรสินสีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเธอรู้ชัดทมนศินสีรู้ชัดความเกิดแห่งธมรศินสีรู้ชัดความดับแห่งธมรศินสี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 โทมนสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในทุติยชา น, นี้พิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแห่งโทมนสินสีแล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเมื่อพิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่สุขหินสีย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าสุ ข, ขินสีนี้เกิดขึ้นแก่เรา และสุขินสีนั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่สุขินสีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเธอรู้ชัดสุขินสีรู้ชัดความเกิดแห่งสุขินสีรู้ชัดความดับแห่งสุขินสีและรู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งสุขินสีที่เกิดขึ้นแล้ว สุขขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขสุขขินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในตติยฌานนี้ ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแผงสุขินสีแล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่สมณสินสีย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าสมณสินสีนี้เกิดขึ้นแก่เราและสมณสินรีนั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัย ท e ั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่สมณสินสีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องไม้ไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเธอรู้ชัดสมณศินสีรู้ชัดความเกิดแห่งสมณศินสีรู้ชัดความดับแห่งสมณศินสีและรู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งสมณสินสีที่เกิดขึ้นแล้วสมณสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่ไหน คือภิกษุในธรรมวิในนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุธฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระโอเบกขาอยู่สมณสินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในจตุธฌานนี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแห่งสมณสินสี่แล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้น เมื่อภิกษุในธรรมวิไนน์นี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อุเปกินสีย่อมเกิดขึ้นเธอรู้ชัดว่าอุเปกินสีนี้เกิดขึ้นแก่เราและอุเปกขินสีนั้นมีเครื่องหมายมีเหตุมีสิ่งปรุงแต่งมีปัจจัยทั้งเป็นไปไม่ได้เลยที่อุเปกขินสีนั้นซึ่งไม่มีเครื่องหมายไม่มีเหตุไม่มีสิ่งปรุงแต่งไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้น เธอรู้ชัดอุเบกินสีรู้ชัดความเกิดแห่งอุเบกินสีรู้ชัดความดับแห่งอุเบกินสีและรู้ชัดที่ดับไปไม่เหลือแห่งอุเบกินสีที่เกิดขึ้นแล้วอุเบกินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในที่ไหนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ก้าวล่วงเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงแล้ว เข้าสัญญาเวทยียนิโรทัสมาบัติอยู่อุเบกินสีที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่เหลือในสัญญาเวทยิยนิโรทสมาบัตินี้ภิกษุนี้เรากล่าวว่ารู้ความดับแผงอุเบกินสีแล้วน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นอุปติปาติกสูตรที่ส0บจบสุ ข, ขินทรีวักที่สจบ พระสูตรที่มีในวรคนี้คือ 1. สุทิขสูตร 2. โสตาปั น, นสูตรสาอรหันตสูตร 4. ปฐมมะสมณพราหมณสูตร 5. ทุติยสมณพราหมณสูตร 6. ปฐมมวิพังคสูตร 7. ทุติยวิพังคสูตร 8. ตติยวิพังคสูตร เก้ากัโทปะมะสูตรสิบอุปติปาติกระสูตรห้ชาชราวักหมวดว่าด้วยความแก่หนึ่งชาราธรรมสูตรว่าด้วยผู้มีความแก่ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของนาวิสาขามิคารมาตาในบุพารามเขโครงสาวถีครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนประทับนั่งผินพระปริสดางให้แดดที่ส่องมาจากทิศตะวันตกครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วบีบนวดพระวรากายของพระผู้มีพระภาคด้วยฝ่ามือพลางกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบัดนี้พระชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนเมื่อก่อนพระอวัยวะทุกส่วนก็เหี่ยวโยนเป็นเกลียวพระวรากายก็ค้อมไปข้างหน้า และพระอินทรีย์ทั้งหลายคือจากผลสีโโตินรีคานินรียฉียวหินสีกายินรีก็ปรากฏแปลเปลี่ยนไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงอย่างนั้นอาน o ์ความแก่มีอยู่ในความเป็นหนุ่มสาวความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคความตายก็มีอยู่ในชีวิตผิวพันธุ์ไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนเมื่อก่อน อวัยวะทุกส่วนก็เหี่ยวย่นเป็นเกลียวกายก็คลอมไปข้างหน้าและอินทรีย์ทั้งหลายคือจากขุนศีโซตินรีคานินรีชิวหินรีปายินรีก็ปรากฏแปลเปลี่ยนไปพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสพระดำรัดนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าถึงท่านจะติความแก่ที่เลวซาม จติความแก่ที่ทำให้ผิวพันซามไปสักเพียงใดรูปที่น่าพึงพอใจก็คงถูกความแก่ย่มยีเพียงนั้นแม้ผู้ใดพึงมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีผู้นั้นก็มีความตายอยู่เบื้องหน้าความตายไม่ละเว้นใครๆย่อมย่ำยีสัตว์ทั้งหมดทีเดียวชราธรรมสูตรที่หนึ่งจบ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 อินทรีห้าประการนี้มีอารมณ์ต่างกันมีโครจรต่างกันไม่สวยอารมณ์อันเป็นโครจรของกนและกันอินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. จกักขุศีสโสตินรีสาคานินรีสีชิวหินศีหกายินรีท่านพระโคโดมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีห้าประการนี้ ที่มีอารมณ์ต่างกันมีโคโจรต่างกันไม่สวยอารมณ์อันเป็นโคโจรของกันและกันและอะไรเล่าย่อมสวยอารมณ์อันเป็นโคโจรของอินทรีห้าประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามอินทรีห้าประการ น, นี้มีอารมณ์ต่างกันมีโคโจรต่างกันไม่สวยอารมณ์อันเป็นโคโจรของกันและกันอินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. จากขุนศรีสโสตินศรีสาคานินศรีส 4. ชิวหินศรีหากายินศรีพราหม์ใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีห้าประการนี้ที่มีอารมณ์ต่างกันมีโครจรต่างกันไม่สวยอารมณ์อันเป็นโครจรของกันและกันและใจย่อมสวยอารมณ์อันเป็นโครจรของอินทรีห้าประการนี้ ท่านพระโคดมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจพรามสติเป็นที่ย uh uh ึดเหนี่ยวของใจท่านพระโคดมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสติพรามวิมุตติเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสติท่านพระโคดมอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของวิมุตติพรามนิพพานเป็นที่ยึดเหนี่ยวของวิมุตติท่านพระโคดม อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของนิพพานพราหม์ท่านล่วงเลยปัญหาไปไม่สามารถกำหนดที่สุดแห่งปัญหาได้ด้วยว่าพระมรรจันท์ที่บุคคลอยู่จบแล้วยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดลำดับนั้นอุณาพระพราหม์ชื่นชมยินดีพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาส ทำประทักษิณแล้วจากไปครั้นอุณหภพรามจากไปได้ไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียบภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดมีหน้าต่างอยู่ด้านทิศตะวันออกเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแสงดวงอาทิตย์สอ่องเข้าไปทางหน้าต่างจะปรากฏที่ไหนที่ฝ้าด้านทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าค่ะ ภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมัยก็ฉันนั้นเหมือนกันศรัทธาในตถาคตของอุณภพภามตั้งมั่นอย่างรากลงแล้วมั่นคงอันสมณะหรือพรามเทวดาหรือมารพรหมหรือใครๆในโลกให้หวันไหวไม่ได้ถ้าอุณภพภามพึงทำกาละในเวลานี้ไซย่อมไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเครื่องประกอบให้อุณภ า, ามต้องมาสู่โลกนี้อีก อุณพพรามนสูตรที่สองจบ 3. สาเกตสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองสาเกตข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอัญชนาวันสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตเมืองสาเกตณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรถถามว่าภิกษุทั้งหลายเหตุที่อินรี่ห้าประการอาศัยแล้วกลายเป็นพระห้าประการและที่พระห้าประการอาศัยแล้วกลายเป็นอินรี่ห้าประการมีอยู่หรือ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 ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ภิกษุทั้งหลายเหตที่อินทรีย์5ประการอาศัยแล้วกลายเป็นพละ5ประการและที่พละหประการอาศัยแล้วกลายเป็นอินทรีย์าประการมีอยู่เหตที่อินทรีย์าประการอาศัยแล้วกลายเป็นพละ5ประการและที่พละหประการอาศัยแล้วกลายเป็นอินทรีย์าประการเป็นอย่างไร คือสิ่งใดเป็นสัตทินรีสิ่งนั้นเป็นสัทธาภละสิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัตทินรีสิ่งใดเป็นวิริยินรีสิ่งนั้นเป็นวิริยะภละสิ่งใดเป็นวิริยะภละสิ่งนั้นเป็นวิริยินรีสิ่งใดเป็นสตินรีสิ่งนั้นเป็นสติภละสิ่งใดเป็นสติภละสิ่งนั้นเป็นสตินรี สิ่งใดเป็นสมาสสธินสีสิ่งนั้นเป็นสมาธิพะละสิ่งใดเป็นสมาธิพะละสิ่งนั้นเป็นสมาธินีสิ่งใดเป็นปัญญินีสิ่งนั้นเป็นปัญญาพละสิ่งใดเป็นปัญญาภละสิ่งนั้นเป็นปัญญินีภิกษุทั้งหลายแม่แน้ำไหลไปสู่ทิ่ปราจีนบาไปสู่ทิ่ปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีน กลางแม่น้ํานั้นมีเกาะเหตุ ya, ที่จะให้นับว่าแม่น้ํานั้นมีกระแสเดียวมีอยู่และเหตุที่จะให้นับว่าแม่น้ํานั้นมีสงกระแสก็มีอยู่เหตุที่จะให้นับว่าแม่น้ํานั้นมีกระแสเดียวเป็นอย่างไรคือน้ําที่อยู่สุดทิศตะวันออกและสุดทิศตะวันตกของเกาะนั้นนี้แหลคือเหตุที่ให้นับว่าแม่น้ํานั้นมีกระแสเดียว เหตุที่จะให้นับว่าแม่น้ำนั้นมีสงกระแสเป็นอย่างไรคือน้ำที่อยู่สุดทิศเหนือและสุดทิศใต้ของเกาะนั้นนี้แหละคือเหตุที่ให้นับว่าแม่น้ำนั้นมีสงกระแสแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสิ่งใดเป็นสัทธินสีสิ่งนั้นเป็นสัทธาภละสิ่งใดเป็นสัทธาภละสิ่งนั้นเป็นสัทินี ส <emás. équ altung> <Sim Pop> ิ่งใดเป็นวิริยินสีสิ่งนั้นเป็นวิริยะพละสิ่งใดเป็นวิริยะพละสิ่งนั้นเป็นวิริยินสีสิ่งใดเป็นสตินรีสิ่งนั้นเป็นสติพละสิ่งใดเป็นสติพละสิ่งนั้นเป็นสตินสีสิ่งใดเป็นสมาธินสีสิ่งนั้นเป็นสมาธิพละสิ่งใดเป็นสมาธิพละสิ่งนั้นเป็นสมาธินสี สิ่งใดเป็นปัญญิสีสีสิ่งนั้นเป็นปัญญาภะสิ่งใดเป็นปัญญาภะสิ่งนั้นเป็นปัญญิีสีพิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอินสีห้าประการที่ภิกษุนั้นเจริญทำให้มากแล้วสาเกตสูตรที่สจบ พระโกตกะสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปุพะโกตกะเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปุพะโกตกะเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรือไม่ว่าสัตทินรียที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดและถึงปัญญียีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ชนเหล่าใดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่ได้ทำให้แจ้งไม่ได้สัมผัสด้วยปัญญา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 และถึงปัญญนสี่ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดดีละดีละสาเรบุตรข้อนี้ชนเหล่าใดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมิได้ทำให้แจ้งมิได้สัมผัสด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อผู้อื่นในข้อนั้นว่า ัาตินีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดละถึงปัญญีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดข้อนี้ชนเหล่าใดรู้เห็นเข้าใจทำให้แจ้งได้สัมผัสด้วยปัญญาชนเหล่านั้น หมดความระแวงสงสัยในข้อนั้นว่าสัตทินสีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่ามาอมย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดและถึงปัญญินสีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่ามาอมย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดปุพพโปทกะสูตรที่สีจบ 5. ้าปฐมปุพารามสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่บุพารามสูตรที่หนึ่งเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา ในบุพารามเขกรงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุขีณาศพพยากรณรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป เพราะอินทรีย์เท่าไรที่ภิกษุขีณาศพเจริญทำให้มากแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักและถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุขีณาศพพยากรอรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป เพราะอินทรีย์อย่างหนึ่งที่ภิกษุขีณาสเจริญทําให้มากแล้วอินทรีย์อย่างหนึ่งคืออะไรคือปัญญีสีศรัทธาที่เป็นไปตามปัญญาวิริยะที่เป็นไปตามปัญญาสติที่เป็นไปตามปัญญาสมาธิที่เป็นไปตามปัญญาของอาริสาวกผู้มีปัญญาย่อมตั้งมั่นภิกษุขีณาสพพยากรอรหัตผลว่า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 ทุติยปุภารามนสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่บุภารามสูตรที่สองต้นเรื่องเหมือนสูตรที่ห้าภิกษุทั้งหลายภิกษุขีนาศพพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป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 เพราะอินทรีย์สองประการที่ภิกษุขีณาสกเจริญทําให้มากแล้วอินทรีย์สองประการอะไรบ้างคือ 1. ปัญญาที่เป็นอริยะ 2. วิมุตติที่เป็นอริยะปัญญาที่เป็นอริยะเป็นปัญญีสีวิมุตติที่เป็นอริยะเป็นสมาธินีภิกษุขีณาสุพยากรอรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว ยู่จบรมจัจาร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเพราะอินทรสองประการนี้ที่ภิกษุขีณาศพเจริญทำให้มากแล้วทุติยปุภารามสูตรที่6จบ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 เพราะอินทรีย์เท่าไหร่ที่ภิกษุขีนาศเจริญทําให้มากแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทางของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุขีนาศ พ, พยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป เพราะอินทรีสี4ประการที่ภิกษุขีนาศบเจริญทำให้มากแล้วอินทรีสี4ประการอะไรบ้างคือ 1. วิริยินทรีส์ 2. สตินทรีสามสมาธินทรีสบัญญินทรีภิกษุขีนาศ พ, พยากรอรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิน้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิดที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเพราะอินทรีสีประการนี้ที่ภิกษุขีณาศพเจริญทำให้มากแล้วตาติยะปุภารามสูที่เจดจบ จตุทะบุภารามสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่บุพารามสูตรที่สี่ต้นเรื่องเหมือนสู่ที่ห้าภิกษุทั้งหลายภิกษุขีนาสพพยากรณรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป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 เพราะอินสี่ห้าประการที่พิกษุขีนาศเจริญทำให้มากแล้วอินสี่ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตธินรียอวิริยินรีส์ 3. สตินรีสีสมาธินรีย้าปัญญินรีภิษุขีนาศพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเพราะอินสี่ห้าประการนี้ที่ภิกสุขีนาศเจริญทำให้มากแล้วจตุถะบุพพารามสูที่8จบ